มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะได้ใช้ในการปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆพวกเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการรักษาใจมาก ใจของพวกเราทุกวันนี้ยังวุ่นวายยังสับสนยังวิตกยังกังวลยังห่วงหน้าห่วงหลังกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราคิดสักหน่อย หรือเราได้ฟังเทศฟังธรรมสักหน่อยเราจะเกิดความรู้ที่จะช่วยให้เราอยู่ได้อย่างปกติไม่เอไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะว่าใจนี้เป็นสิ่งที่มาตามลำพังแล้วก็เวลาไป ก็จะไปตามลำพังหมายความว่าใจนี้มาตัวเปล่าๆแล้วก็จะไปตัวเปล่าๆเวลามาเกิดสิ่งแรกที่ได้ก็คือร่างกายต่อมาก็จะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลน้นโผฏฐาภะต่างๆ ได้รับรู้รับเห็นกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติของโลก<ม>คือโลกนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา<ม>เช่นมีฝนตกมีแดดออก ม, มีต้นไม้เจริญเติบโตมีต้นไม้ที่ตายลงไป มีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้นี่คือเรื่องที่เราควรจะศึกษารับรู้เราก็คือใจเรามาตัวเปล่าๆแล้ว ต่อไปเราก็จะไปตัวเปล่าเปล่าร่างกายที่เราได้ในนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองบุคคลต่างๆก็ไม่ใช่ของเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ เช่นวันนี้ฝนตกถ้าเราไม่อยากให้เขาตกเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องตกไปตามหน้าที่ของเขาถ้าเราไม่ไปมีความรังเกียจหรือปฏิเสธหรือไม่อยากให้เขาตกเวลาเขาตกเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีความรังเกียจอยากจะให้เขาหยุดหรือไม่อยากให้เขาตก เราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาความวุ่นวายใจของเราเกิดจากความอยากแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงได้เขาก็ต้องเป็นไปตามวิถีของเขาเราเราจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่กระทบกับเรามากที่สุดก็คือโลกกระม8โลกธรรทำแดคืออะไรคือลาบยศเสริญสุขและการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก่อนมาแล้วจะต้องพบจะต้องสัมผัส แต่เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เราไปหลงยึดติดในส่วนที่เจริญแต่เราไปรังเกียจในส่วนที่เสือ่อมเช่นเวลาเราได้เงินได้ทองมาเราดีอกดีใจแต่เวลาเราสูญเสียเงินทองไปเราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเรามาตัวเ ป, ปล่า แล้วเวลาเราไปเราก็จะไปตัวเปล่ า, เ, ลาเราจะไม่ได้เอาเงินทองสักบาทติดตัวเราไปเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาเงินทองติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวถ้าเราคิดสักหน่อยเราก็จะได้ทำใจได้ทำใจให้เฉยๆกับการมากับการไปของเงินของทองเงินมาก็เฉยเงินไปก็เฉย เราเพียงแต่ทำหน้าที่ของเราคือเรายังต้องอาศัยเงินทองเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราไปทำหาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เงินทองมาก็เอามาซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการครองชีพต่อการดำรงชีพแต่ถ้าเกิดเงินมันหายไปหรือเงินมันขาดมือไป ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีเงินมาเยียวยาชีวิตของเราได้เราก็ต้องปล่อยให้มันตายไปเป็นธรรมดาเพราะไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายในวันข้างหน้าอยู่ดีจะตายด้วยความยากจนหรือตายด้วยความร่ำรวยมันก็ต้องตายเหมือนกันแต่คนที่เข้าใจหลักความจริงนี้จะตายอย่างอย่างสบาย จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเวลาอยู่ก็ไม่หวาดกลัวกับความอดอยากต่อความทุกข์ยากลาบากเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่เราขอยืมพ่อแม่มาใช้ใช้ไปจนกวา่ามันจะหมด อายุหมดสภาพเมื่อมันหมดสภาพเราก็ต้องทิ้งมันไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้าเรายังมีความอยากที่จะเกิดอีกถ้าเราเบื่อไม่อยากจะเกิดเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะสบายเพราะทุกวันนี้ที่เราทุกกันอยู่ ก็ทุเพราะร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาต้องมีอาหารรับประทานมีน้ำดื่มมียารักษาโรคมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องหากันอยู่การหาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทามาหากิน ทำงานทำการถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องทํางานต่างๆให้เหนื่อยยากทําไปถ้าเป็นแาบตายพอถึงเวลาก็ต้องทิ้งมันไปหมดอยู่ดีร่างกายก็ต้องตายไปทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองต่างๆสามีภรรยาบุตรธิดาญาติสนิทมิตสหายก็ต้องทิ้งเขาไปต้องจากเขาไป นี่คือเรื่องที่เราควรจะศึกษาถ้าเราคอยศึกษาแล้วเราไม่ลืมไม่เผลอเราจะทำใจของเราให้เฉยเฉยได้เวลาใครมาเราก็จะไม่ดีใจเวลาใครไปเราก็จะไม่เสียใจเวลาได้เงินมาเราก็ไม่ดีใจเวลาเสียไปเราก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่าได้มามากเท่าไหร่ก็ต้องเสียหมดไป อยู่ดีไม่ช้าก็เร็วนี่คือเรื่องของลาบมีการเจริญมีการเสรื่อมเป็นธรรมดายศก็เช่นเดียวกันตำแหน่งต่างๆก็มีการเจริญมีการเสรื่อมถ้าเราเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเราก็จะมียศมีตำแหน่งก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเป็นนายสิบไปเป็นนายร้อยไปเป็นนายพัน ไปเป็นนายพลพออายุครบ60ปีก็ถูกเขาดกดเกษียณไปตําแหน่งนายพลก็หมดไปหรือเวลาตายไปก่อนกเกษียณตําแหน่งที่มีอยู่ก็หมดไปนี่คือเรื่องของยศเป็นอย่างนี้เรื่องของตําแหน่งเป็นอย่างนี้ได้มาแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมไป ได้ตำแหน่งนี้บางทีก็ถูกเขาย้ายไปทับรับตำแหน่งอื่นหรือถูกเขาไล่ออกจากงานก็จะสูญเสียตำแหน่งไปนี่ก็คือเรื่องของการเจริญของยศและการเสื่อมของยศเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นสิ่งที่เราไปขัดขวางไปห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิด แต่ถ้าเรารู้ทันเราฉลาดเราไม่ยึดเราไม่ติดเราได้ตำแหน่งไหนก็เฉยเฉยไม่ดี อ, อกดีใจเวลาสูญเสียตำแหน่งนั้นไปเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจในขณะที่มีตำแหน่งเราก็จะไม่วุ่นวายใจไม่กลัวว่าจะถูกโยกย้ายไม่กลัวว่าจะถูกลดขั้นลงมา ถ้าจะถูกโยกยายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะถูกลดขั้นลงไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายใจเช่นเดียวกับคำสรรเสริญ hmm. ก็มีนินทาเป็นของคู่กันมีสรรเสริญย่อมมีนินทาเป็นธรรมดาปากของคนอื่นนี้เราไปวควบคุมไปบังคับเขาไม่ได้ การกระทาของคนอื่นเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทำอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะชมเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะนินทาเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราเราต้องหัดทำใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยให้ได้การที่จะทำให้ใจนิ่งสงบก็คือทำให้ ใจหยุดคิดอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆเช่นเวลาคนด่าเราก็อย่าไปคิดถึงเขาพยายามท่องบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปรับรู้เรื่องของเขา<ม>ถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเริมเรื่องของเขาไปได้<ม>แล้วเราก็จะสงบนิ่งเย็นสบาย เขาจะด่าเราเขาจะชมเราเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจเราไม่นิ่งพอเขาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยใจของเราก็จะตื่นผวาขึ้นมาทันทีถ้าดีถ้าพูดดีดดก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแก้มปริถ้าเวลาเขาด่าเรานินทาเราก็หน้าก็กลายเป็นค้อนไปเพราะไม่ชอบ เพราะเราไม่สามารถควบคุมใจของเราได้แต่ถ้าเราควบคุมใจของเราได้แล้วต่อไปเราจะสบายไม่ว่าใครจะชมหรือใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือเรื่องของการทำใจถ้าเราทำใจได้แล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เพราะมันเป็นเรื่องปกติของโลกใจของเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเหตุการณ์ต่างๆเพียงแต่ใจเราหลงไปยึดไปติดกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าชอบเหตุการณ์นี้เวลาเกิดขึ้นก็ดี อ, อกดีใจถ้าไม่ชอบเหตุการณ์นี้เวลาเกิดขึ้นเราก็ทุกข์ใจทรมานใจเพราะเราไม่รู้จักรักษาใจไม่รู้จักควบคุมใจ ของเราให้นิ่งให้อยู่เป็นปกตินั่นเองเราจึงควรมาหัดทำใจกันควรสร้างสติขึ้นมาเพราะสตินี้เป็นเหมือนกับเชือกที่จะดึงใจเอาไว้ไม่ให้ตื่นเต้นไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจถ้ามีสติแล้วต่อไปเราจะสามารถบังคับใจของเราได้ การเจริญสตินี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเราหลับไปเวลาเราตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือตั้งสติบอกตัวเองว่าใจของเราอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทาของเรา เช่นเรากำลังอาบน้ำก็ให้รู้ว่าเรากำลังอาบน้ำเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้ว่าเรากำลังรับประทานอาหารเรากำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กับการกระทำของเราอย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องต่างๆเพราะคิดแล้วจะทำให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจ ทำให้เรามีความวุ่นวายใจขึ้นมาเราต้องฝึกดึงใจเอาไว้ถ้ามันไม่ยอมอยู่กับการกระทําของเราเช่นเรากําลังอาบน้ํามันก็ยังอดที่จะคิดถึงเรื่องที่จะไปทําไม่ได้เช่นจะไปทุระที่นั่นที่นี่หรืออดคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้การ บริกรรมพุโทโธเป็นการหยุดความคิดถ้าเราชอบพุโทโธก็ใช้พุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้มันไปคิดเรื่องต่างๆบริกรรมพุโทโธไปแล้วก็อานน้ำไปถ้าไม่ชอบพุโทโธชอบสวดมนกก็สวดมน์ไปภายในใจก็ได้สวด阿รหังสัมมาสวกสวากาโตสุปฏิปันโน สวดกลับไปกลับมาสวดไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆแล้วต่อไปใจจะอยู่ภายใต้คำสั่งของเราเวลาจะสั่งให้เขาหยุดคิดเขาก็จะหยุดคิดเวลาใครด่าเราเราอยากจะไม่คิดถึงเรื่องที่เขาดา่าเราก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปหรือถ้าเราไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบพุโทโธ เรานับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับหนึ่งสาี่ห้านับไปให้ถึงร0อยแล้วก็นับถอยหลังกลับมาหรือเริ่มต้นนับใหม่ถึงร้อยแล้วก็นับหนึ่งสองสามไปมนับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายทุกข์หายกังวลจนกระทั่งมันลืมเรื่องต่างๆไปได้มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างความคิดสองฝ่าย คิดเรื่องที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นเมือกับคิดเรื่องที่ไม่ทาให้เราเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนเ ม, มเราต้องพยายามดึงใจมาคิดในเรื่องที่ทำให้ใจเราสงบใจเราเย็นใจเราสบายนี่ก็คือวิธีหนึ่งคือใช้การคิดคำใดคำหนึ่งหรือสวดมนต์ไปแล้วเรื่องต่างๆที่ สร้างความวุ deux, ่นวายใจของเรานั้นมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราแต่มันยังอยู่ข้างนอกอยู่แต่มันอย่างน้อยมันไม่เข้ามาในใจเราไม่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราไม่ได้คิดถึงเขาเราไม่ได้เอาเขาเข้ามาในใจของเราอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายถ้าวิธีที่ยากนิดแต่เป็นวิธีที่จะ กำจัดความวุ่นวายใจได้อย่างถาวรก็คือเราต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาอย่างที่ได้พูดไวในเมื่อกี้นี้ว่าเราห้ามสิ่งต่างๆไม่ได้สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นหรือจะดับไปเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะปล่อยวางเขาได้เช่นตอนนี้เราห้ามไม่ให้ฝนตก ได้เราก็ปล่อยเขาตกไปเราก็นั่งอยู่ภายในนี้นั่งฟังเทศสังธรรมไปไม่ไปสนใจกับฝนตกไม่ได้อยากให้ฝนหยุดใจของเราก็จะสบายไม่วุ่นวายเช่นเดียวกับการชมหรือการดา่าหรือการกระทำอะไรของคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันเขาทำอะไรที่เราไม่ชอบใจ เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเรามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้เช่นเดียวกันเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราห้ามไม่ให้ใจของเราทุกข์ได้ด้วยการปล่อยวางด้วยการยอมรับความจริงยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรารับได้แล้วต่อไปใจของเราจะนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลานี่คือการใช้ปัญญารักษาใจและจะรักษาได้อย่างถาวรต่อไปจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เราอย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรเพราะเรามาตัวเปล่าๆล่าแล้วเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆปล่าเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยร่างกายของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในศาลานี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไว้ที่นี่ทิ้งไว้ในวัดฝากเขาเผาเราเอาไปไม่ได้ร่างกายของเราเราเอาไปไม่ได้แล้วร่างกายของคนอื่นเราเอาไปได้ ร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปเมื่อถึงเวลาต้องจากกันก็ต้องปล่อยเขาจากคนไปแต่ถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปไม่สบายพาไปหาหมอได้ก็พาไปหมอรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับความจริงอย่างนี้แล้ว เราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือปัญญาหรือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้พวกเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ ถ้าเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามแล้วทาตามความอยากของเราเราก็จะวิ่งเข้าหาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพยายามตัดความอยากพยายามอยู่แบบไม่ต้องมีความอยากอยู่ตามมีตามเกิดอยู่กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นมีในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมี สิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มถ้ามีพอแล้วก็พออยู่เฉยๆสบายกว่าพอมีความอยากแล้วมันอยู่ไม่สุขต้องออกไปหาสิ่งที่อยากได้มาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามาหวงมาห่วงวแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เวลาที่ เสียเขาไปเวลาที่เขาจากเราไปอยู่เฉยๆดีแล้วไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ไม่มีเราก็อยู่ได้ใจของเรานี้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้แต่เราไม่รู้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราจึงต้องมีร่างกายต้องรักษาร่างกายพอมีอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็ทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเราไม่สามารถรักษามันเอาไว้ได้มันต้องเป็นไปตามวิถีทางของมันมันต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนให้เราปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปยึดติดร่างกายของเราอย่าไปยึดติดร่างกายของคนอื่นอย่าไปยึดติดในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะสิ่งเหล่านี้มันมาแล้วก็ไปมันมาแล้วก็ไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังถาวรและมันไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอ สิ่งที่จะทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอก็คือความไมตยาที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพิธเจ้าก็คือการทำบุญให้ทานมีสมบัติข้าวของมากน้อยเพียงไรที่เราไม่ต้องอาศัยไม่ต้องมีเก็บเอาไว้ก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นแล้วก็รักษาศีล อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าไปมีปัญหากับคนอื่นอย่าไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อนแล้วเขาจะไม่กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วก็มานั่งทำใจให้สงบนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธฝึกไปเรื่อยๆทำใจให้สงบเวลาสงบแล้วใจจะสบายเพราะจะไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจ แต่พอออกจากความสงบใจก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปอยากถ้าอยากก็อยากได้แต่ต้องทำใจเผื่อไม่ได้อยากจะได้คนนั้นมาเป็นสามีอยากจะได้คนนี้มาเป็นภรรยาแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำใจ อย่าไปเสียใจถ้าเสียใจก็แสดงว่าเราโง่เราไม่ฉลาดอยู่เฉยๆก็มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่เสียใจคิดเสียว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังถ้าได้วันนี้ก็จะดีใจในวันนี้พอวันไหนเขาจากเราไปเราก็ต้องมาเสียใจอยู่ดีเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอด เราต้องจากกันอยู่แน่นอนต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่กับความสงบเพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างแท้จริงจะไม่มีอะไรสามารถที่จะมารบกวนมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้ถ้าใจเราสงบเวลาใจเราสงบนี้ ใจจะปล่อยวางทุกอย่างจะปล่อยวางสามีปล่อยวางภรรยาจะปล่อยวางลาบรถะละเลริญสุดจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรถ้ามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาสร้างความสงบกันด้วยการทำบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะมีความสงบตามลำดับจนมีความสงบเต็มที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินยืนจะเดิ น, ดนหรือจะยืนหรือจะนั่งหรือจะนอนใจของเราจะมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตามหรือกับร่างกายของเราก็ดีจะไม่สามารถมาทำลายควาสมสงบของใจนี้ได้ดเลยจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบด้วยการปล่อยวางสิ่งต่างๆด้วยการยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆ ว่ามีเกิดและมีดับเป็นธรรมดาให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนตรัยและบุญกุสลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย